ทำกันตามสบายเมื่อสองันก่อนอาตมาก็ได้อ่านนิทานอยู่เรื่องหนึ่งที่อาจารย์สมใจนำไปลงในไลน์ให้กลุ่มสุกโตอ่านนิทานเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากมีแง่คิดเยอะอาตมาก็จำมามาเล่าให้พวกโยมฟังเนี่ยในเนื้อเรื่องก็เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียมีชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่ารามเป็นคนยากจนมีอาชีพ ตัดฟืนและหาเศษไม้ไปขายลามก็อายุประมาณเกือบๆสี่สิบแล้วทุกเช้าตื่นขึ้นมารามก็จะเข้าป่าไปตัดฟืนและทุกวันก็จะเจอพระอยู่รูปหนึ่งเดินมาบิณฑบาตเวลาที่เจอพระรามก็ก้มกราบพระก็ยิ้มให้ทุกวันวันแล้ววันเล่าทักทายกันนิดหน่อยเพราะรามต้องรีบไปทำมาหากิน คือเสียเวลาไม่ได้พเพราะถ้าช้าเนี่ยตลาดก็จะปิดถ้าอยู่มาวันหนึง่งภาคก็เจอกับราเหมือนเดิมภาคกรทักขึ้นว่าโยมจะขนเศษไม้ไปตลอดชีวิตหรือราค์ก็ตาเป็นประกายก็บอกทําทไงได้หลวงพี่ผมไม่รู้ที่ทำอาชีพอะไรต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไม่มีทางเลือกครับหรือหลวงพี่มีอะไรจะชี้แนะผม ภาคก็ตอบว่ามีสิโยมข้ามเขาไปลูกนูน้นที่นู่นจะมีดินอยู่ชิดนหนึ่งออกสี เ, เขียวให้นำไปล่อนอันนี้คือแร่เงินแล้วนำไปขายจะทำให้โยมะฐานะดีขึ้นรามได้ยินเข้าก็ดีใจรีบไปเอาเอาดินไปขายรางก็ทำเช่นนี้ทุกวันจนฐานะเริ่มดีขึ้นตอนนี้ชักไม่อยากจนละ เป็นคนพอกินพอใช้ผ่านไป3มปีพากกระทักอีกโยมจะจะขนเสศจดินไปตลอดชีวิตหรือพอได้ยินคำนี้รามก็นึกถึงอดีตเพราะเมื่อสปีก่อนทำให้ชีวิตกระเลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือทำให้ฐานะดีขึ้นจึงถามบุญหลวงพี่มีอะไรชี้แนะครับพากก็บอกว่าให้ข้ามเขาไปอีกลูกหนึ่ง ที่นั่นจะมีก้อนหินตรงนั้นจะมีแร่ทองคำแต่ต้องล่อนมาก่อยแร่ทองคำมีน้อยแต่มีราคามากกว่าแร่เงินลามก็ทำตามที่พระบอกขันได้แร่ทองคำเมืนอานำไปขายจนไปนเสียถี่ฐานะลารลวยขึ้นก็ไปขุด หินอยู่เกือบทุกวันเน่ขุดและล่อนผ่านไประยะหนึ่งก็เจอพระรูปนั้นอีกพระก็ถามว่าโยมจะขนเศษตะกั่วไปตลอดชีวิตหรือพอได้ยินคำนี้ลามก็ตาเป็นประ ก, กายก็บอกหลวงพี่จะมีอะไรชี้นะเพราะรามเนี่ยนับถือนับถือพระรูปนี้มากจะน้อมน้อมตลอดพระก็บอกมีสิข้ามเขาไปอีกลูกหนึ่งที่ภูเขาลูกนั้ น, นจะมีหินก้อนเล็กๆเป็นประ ก, กาย คือเพชรแต่หายากนะแล้วมีราคาแพงมากโยมเราไปหาดูลามก็รับปากแล้วก็ไปหาเพชรเจอตามที่หลวงพี่บอกแล้วก็นําไปขายพอตอนนี้ก็กลายเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมากมายฐานะก็เปลี่ยนแปลงมากผ่านไปอีกระยะหนึ่งพระก็ไปเจอลามอีกเช่นเคยเพราะว่าพระนี่ต้องเดินมีตาบาดผ่านมาทางนี้แล้วก็ อเผลอนเนี่ยรามก็ไปาหาเพชรทุกวันเพราะลามนี่ก็ไม่ยอมหยุดเหมือนกันต้องการรวยยิ่งขึ้นเป็นทางผ่านพากกระทักว่าไงโ ย, ยมจะขนก้อนกลวดนี้ไปตลอดชีวิตหรือลามก็เริ่มงงแล้วเพราะว่าเพชรเนี่ยมีค่าสูงสุดแล้วไม่มีอะไรที่ว่ามีค่ามากกว่าเพชรก็เลยถามาหลวงพี่มีอะไรที่ดีกว่าเพชรครับพากก็ตอบว่ามีสิเธอข้ามเขาไปอีกลูกหนึ่งที่นั่นจะพบกุฏิอธตมา แล้วเรามาปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งอันนี้ลามก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้ด้วยรู้สึกว่ายังไม่พร้อมก็พยายามจะพูดายเบี่ยงว่าถ้าผมม่อยู่กับหลวงพี่แล้วผมอาจจะเป็นตัวรบกวนการปฏิบัติธรรมของหลวงพี่ก็ได้อาจจะทำให้หลวงพี่ไม่สะดวกพูดโน่นพูดนี่ไป ค, คือไม่เต็มใจจะไปพาก็บอกว่าเมื่อก่อนก็เคยเป็นคนยากจนมาก่อน แล้วก็ไปที่เขาลูกลูกที่เจอแล่เงินแล้วก็เจอแล่ทองคำแล้วก็เจอเพชรฐานะร่ารวยขึ้นแต่ก็รู้สึกว่าชีวิตมันยังขาดไม่เติมไม่เต็มอะ่ะมันเหมือนไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่ความสุขที่แท้ก็เด็กข้ามเขามาอีกลูกหนึ่งมาเจอสถานที่เงียบสงบบรรยากาศทิวทัศน์ลมลื่นน่าอยู่น่าอาศัยจึงมาปฏิบัติธรรมค้นพบตัวเอง จนเกิดความสงบเย็นจึงได้รู้ว่าทรัพยสินแบต่างๆในโลกเนี้สู้ลถพระธรรมไม่ได้ลถของพระธรรมมีคุณค่ามากกว่าพระองค์นี้ก็พยายาม ช, ชักจูงเหตุผลต่างๆให้รามเข้าใจรามก็นึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะหลวงพี่ที่เหมือนเราทุกอย่างยังสละทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเราไปอยู่ด้วยเราก็ต้องสละเหมือนกัน คือรานยังโลภ อ, อยู่ยังตัดกิเลสความโลภไม่ขาดก็เลยบอกไว้วันหน้าก็แล้วกันพากบอกไม่เป็นไรเอาไว้ให้เธอเบื่อทางโลกแล้วค่อยมาหาตมายินดีต้อนรับทุกเมื่อนิทานเรื่องนี้ก็จบพวกญาติโยมที่มาวัดเนี่ยก็ถือว่าทุกคนเนี่ยมีบุญมีบารามีได้เข้าวัดได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้รักษาศรรีล ซึ่งน้อยคนที่อยู่ข้างนอกไม่มีโอกาสเลยบางคนก็ตั้งใจว่าตอนหนุ่มตอนสาวจะต้องทำงานก่อนเอาไว้ตอนแก่ให้เข้าวัดบางคนแก่แล้วก็อ้างว่าอายุมากแล้วไม่มีเลี่ยวมีแรงอีกหลายคนก็หาข้ออ้างไปต่างๆนานาหาว่าแก่เข้าวัดยากยิ่งได้มีโอกาสมาบวชมาปฏิบัติธรรมแล้ยิ่งยากใหญ่เลยฉนพวกโยมจึงถือว่าโชคดีมีบุญมาก มีบุญกว่าคนอีกมากมายเพราะทรัพย์สมบัติภายนอกเนี่ยต่อให้รวยแค่ไหนมันก็เป็นของแค่ใช้ชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวเราตายไปก็เป็นสมบัติของโลกไม่ได้ร่างกายของเราเป็นของโลกเราไม่สามารถอาติตัวไปได้เลยชีวิตของเราเนี่ยตั้งอยู่บนความไม่เที่ยงความแปรปรวนเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บป่วยต้องเกิดอุบัติเหตุต่างๆแถม ต้องอยู่ใต้กฎของโลกธรรมด้วยมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกขมีเสอะเสือมีนินทาอันนี้เจอทุกคนจะหาความสุขที่แท้จริงยากสมหวังมั่งผิดหวังมั่งแต่ส่วนมากจะผิดหวังมากกว่าสมหวังนะไม่ได้ร่างกายเราเนี่ยเรายังประคับประชาไม่ได้แก่ขึ้นทุกวันทุกวั น, วนเดี๋ยวผมก็งอกตาก็ฟ้าฟางร่างกายก็อ่อนแอลงอันนี้เป็นทุกคน จะเห็นได้ชัดทัด น, นานเจอกันทีไม่มีใครหนีพ้นเงั้นการที่เราได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมเพราะการเจริญสติส ร, ร้างความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่ถ้าเรามีสติเราก็มีที่พึ่งมีที่พึ่งที่แท้จริงสามารถทาให้เราเนี่ยไม่ตกไปท่าของความคิดปรุงแต่งได้ถ้าเราไม่เจริญสติเราก็ตกอยู่ ใ, ใต้หน้าของความคิดความคิดสั่งให้ทำอะไรเราก็ทาชีวิตก็ตกไปท่ามันตลอดชีวิต มีฐานเสดอยู่เรื่องหนึ่งมีตอกอยู่ตอกหนึ่งตอกเนี้ยยามที่เดือนมืดจะมืดมากไม่มีแสงไฟคนเดินได้ตอกเนี่ยจะเดินชนกันเป็นประจำคือมองไม่เห็นวันนี้ก็มีพระอยู่รูปหนึ่งท่านมาธุระที่วัดแห่งหนึ่งจําเป็นต้องผ่านตอกนี้เดินไปก็โดนคนได้ตอกชนบ้าง หรือไม่ก็ไปชนคนอื่นเป็นไปแบบทุรักทุเลสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนบ่นพึมพำว่าเอ๊ะคนตาบอดคนที่เป็นคนที่แปลกๆตัวเองก็ตามองไม่เห็นและยังถือโคมไฟให้บุญวายทำไมพารูปนี้ได้ฟังเข้าก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันก็เลยดักรอรอคนตาบอดสักพักหนึ่งก็เห็นชายตาบอด ถือละเกียงโคมมาท่านเจอพระกทักถ่ายว่าท่านตาบอดหรือชายตาบอดก็ใช่ข้าเนี่ยพิการตาบอดมาตั้งแต่เกิดไม่เคยเห็นแสงสว่างเป็นยังไงตลอดชีวิตพระก็ถามว่าแล้วท่านถือโคมมาทำไมในเมื่อตาท่านก็บอกไม่เห็นชายตาบอดก็บอกว่า ขาได้ยินขอเล่ากันว่ายามค่ำคืนมืดแม้แต่คนตาดีก็มองไม่เห็นเหมือนเช่นคนตาบอดเพราะฉะนั้นข้าเลยถือตะเกียงสองทางพระได้ยินดังนั้นก็บอกว่าอมิตาพุทธท่านช่างเป็นคนมีน้ำใจเหลือเกินชายตาบอดก็บอกว่าหามไม่ได้ถือโคมเนี่ย ไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นเขาทำเพื่อตัวข้าเองเพราะเมื่อก่อนค้าเดินในตอกนี้โดนคนมาชนหรือไม่ค่าก็าชนคนอื่นพอข้าถือตะเกียงส่องทางเนี่ยคนก็ไม่มาชนข้าเลยเป็นอย่างนี้มานานแล้วพระจึงเข้าใจนิทานเซนเรื่องนี้ก็สอนว่าบางครั้งเราช่วยเหลือคนอื่นทำประโยชน์ให้กับคนอื่นประโยชน์นั้นก็วิ่งมาหาตัวเราเหมือนกัน พอเราส่องทางให้คนอื่นคนอื่นก็ไม่ไปชนเราเรากได้ประโยชน์ถ้าเปรียกก็เหมือนคนมีดวงตาเห็นธรรมอย่างคนนะถ้าบรรลุธรรมคนหนึ่งสามารถช่วยคนได้ตั้งมากมายอย่างอาจารย์คำพลทองบุญ น, นุ่มท่านเป็นคนที่พิการเดินเหินไม่ได้ชีวิตของท่านทุกข์มากถูกความทุบบีบคั้นจนไม่มีทางออกมาเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวจนมีดวงตาเห็นธรรม ตอนหลังชีวิตท่านเลยเปลี่ยนไปพูดธรมะให้คนที่ร่างกายดีๆฟังและให้กาลังใจคนที่เกิดความทุกข์ให้มีกาลังใจสู้ชีวิตอันนี้ก็เปรียบจุดไฟสองตะเกียงให้คนเดินให้คนเดินตามอาจารย์คัมพลธรรมประโยชน์ได้มากมายหลังจากที่ท่านเห็นทำเพราะคนบรรลุธรรมคนหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยคนได้เป็นแสนเป็นล้านเลยอันนี้มียนที่ส่งมาก ท่านก็ได้ออกโทรทัศน์หลายช่องคนก็เรมรู้จักมากขึ้นก็ช่วยเผยแพ ร, แพร่ธรรมะให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะอย่างคนร่างกายดีเนี่ยเราก็ดูไม่รู้ว่าเห็นธรรมจริงหรือเปล่าบางทีพิสูจน์ยากกพราเป็นธรรมะเป็นอาการลิโกแต่ของอาจารย์กำพลเนี่ยพิสูจน์ได้ตรงที่ว่าท่านจะดวงตาดวงตาท่านจะมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใส จะไม่ให้มีความทุกข์ให้ใครเห็นตอนนี้ท่านเป็นมะเร็งตับและระยะสุดท้ายท่านก็อยากยิ้มได้ไม่รอไวความตายที่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาถ้าเป็นคนอื่นยิ้มไม่ออกหรอกพราะรู้ว่าจะตายแล้วก็ต้องทดทุกเวทนากับมะเร็งด้วยเพราถือเป็นอาการป่วยที่ค่อนข้างจะหนักแต่ท่านก็สามารถไม่ทุกข์ได้ป่วยแต่กายใจไม่ป่วย จิตใจท่จา น, นเข้มแข็งเป็นคนป่วยที่ไม่ทุกข์อันนี้ผลของการเจริญสติผลของการเห็นธรรมบางครั้งจิตที่คิดจะให้ก็ย่อมดีกว่าจิตที่คิดจะเอาขณะที่เราคิดจะให้เราก็มีความสุขแล้วบางครั้งจิตที่คิดจะเอาจะหนักเมื่อวานก่อนอรรมาก็โพสธรรมารโลกเฟซบ o ๊กอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องสุขที่ยิ่งกว่าการให้เป็นนิทานมีภาพประกอบเรื่อเรื่องก็มี ชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีชายคนนี้เป็นคนที่พีบพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความรู้รูปร่างหน้าตาและมีผู้หญิงมาชอบมากมายคือเกิดมาเนี่ยพร้อมทุกอย่างบริบูรณ์แล้ววันหนึ่งชีวิตของเขาก็ยิ่งสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเมื่อพี่ชายได้ซื้อรถสปอร์ตให้เป็นของขวัญวันเกิดชายหนุ่มคนนี้ดีใจมากเพราะตัวเองฝ่ฝันอยากได้รถสปอร์ตมานานแล้ว ก็ได้สมใจจึงตั้งใจจะขับไปทดสอบฟาร์มเร็วของเครื่องว่าดีแค่ไหนขณะที่ขับรถออกไปจนเหนื่อยก็จอดพักชมอยู่ข้างทางบริเวณนั้นก็มีเด็กชายอยู่คนหนึ่งสนใจรถสปอร์ตคันนี้มากเดินมารูปลูบไปรูปมาใชา้หนุ่มคนที่เห็นเข้า ก็เก um ิดฟ้าผ่าภูม <repeated monster boundaries> ิใจยิ่บอกไว้ว่าน้องอย่าอย่ารูปแรงนะเดี๋ยวรถมันถลอกเด็กก็ถามต่อว่ารถพี่เนี่ยซื้อมาเท่าไหร่ชายดุ๋มก็ตอบว่าถ้าเป็นคนอื่นต้องซื้อแต่ของพี่เนี่ยพี่ชายซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเด็กก็ตอบว่าโอ้โหดีจังเลยผมอยากผมอยากผู้เสียงตะกุกตะกัก ชายหนุ่มก็คิดว่าเด็กคขอิจฉาที่ว่าเขามีพี่ชายซื้อรถสปอร์ตให้แต่แล้วชายหนุ่มคนนี้ก็คิดผิดเพราะเด็กก็พูดต่อไปว่าผมอยากจะเป็นแบบพี่ชายของพี่บ้างจังเลยผมจะได้ซื้อรถให้น้องของผมได้นั่งบ้างชายหนุ่ม ถึงก็อึง้งกับความคิดของเด็กคนนี้เพราะคนทั่วไปเนี่ยมีเด้อยากจะได้แต่เด็กคนนี้กลับคิดจะให้ซึ่งสวนทางกับความคิดคนทุกคนชายหนุ่มจึงชวนเด็กคนนี้นั่งรถ ด, ด้วยกันเด็กก็นั่งรถ ด, ด้วยไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวไปแล้สักพักหนึ่งเด็กก็เอ่ยก็เอ่ยปากบอกว่าพี่ ช่วยขับรถพาไปส่งผมที่หน้าบ้านได้ไหมครับชายหนุม่มก็คิดว่าเด็กคนคงอยากให้ชาวบ้านแถวนั้นรู้ว่าได้นั่งรถหรูเพื่อได้มีหน้าบีตาแต่ก็ไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆแล้วจึงขับรถพาไปส่งที่หน้าบ้านขันถึงบ้านเด็กก็วิ่งขึ้นกระไดบ้านไปเลยสักพักหนึ่งก็อุ้มน้องชายตัวเล็กๆซึ้อขาพิการ พอคันลงมาข้างล่างพี่ชายก็ชี้ไปที่รถสปอร์ตบอกน้องนี่ไงบัดดี้ที่พี่เล่าให้ฟังพี่ชายเขาซื้อให้สักวันหนึ่งพี่จะซื้อรถแบบนี้ให้น้องได้นางบ้างชายหนุ่มเจ้าของรถสปอร์ตฟังแล้วซาบซึ้งมากแล้วเริ่มรู้สึกว่า ความสุขที่ยิ่งกว่าการให้คืออะไรจรึงจูงมือเด็กน้อยที่พิการและพี่ชายเนี่ยขึ้นมาบนรถแล้วก็พาขับเที่ยวทิฏฐานเรื่องนี้ก็จบมีน้อยคนนะที่คิดจะให้ส่วนมากคิดจะเอาแต่ที่จริงแล้วยิ่งให้ยิ่งได้แล้วก็มีความสุขด้วยอย่างเราตั้งจิตจะช่วยเหลือคนอื่นที่ตกทุกข์กได้ยากเนี่ยขณะที่เราตั้งจิตช่วยเราก็มีความสุขแล้วหรือทําบุญ ปล่อยนกปล่อยปลาช่วยสัตว์หรือทำงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บางครั้งเราเจอแก้วตกอยู่ในวัดแก้วแตกเราก็เก็บเพื่อไม่ให้คนเดินเหยียบหรือเจอไม้หนามที่คนผ่านอาจจะเกี่ยวลู ก, กาตากก็ได้อันนี้ถ้าเราตัด อ, ออกเนี่ยเราก็ถือว่าเราช่วยสาธารนณะช่วยส่วนรวมเราก็มีความสุขหรือเห็นตรงไหนลื่นถนนตรงไหนลื่น เราก็แก้ไขว่าเผื่อบางทีคนแก่เดินมาลื่นหกล้มหัวแตกหรือแข้งขาหักได้อันนี้ถ้าใครเห็นแล้วใครช่วยเนี่ยก็ถือว่าเราบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพราะการทําประโยชน์ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องใช้วัตถุอย่างเดียวเราสามารถใช้แรงก็ได้ดังั้นข้อนี้จึงบรรจุในวัยยาววัจจัยบุญาการช่วยเหลือคนขวายซึงทุกคนทําได้หมดไม่ได้ช่วยฝาดใบไม้ช่วยทํางานต่างๆ ให้ส่วนรวมเขาจัดว่าเป็นบุญได้หมดถ้าคนทำเป็นก็จะมีความสุขแต่ถ้าคนทำไม่เป็นก็จะมีความทุกข์เพราะทำด้วยความจำใจอยา่างพระหรือพวกญาติโยมมาทำวดัดไหว้พระสวดมนต์เหมือนกันแต่ถ้ามาด้วยความเต็มใจอันนี้เราก็มีความสุขข่ะที่ไหว้พระสวดมนตน์เสร็จฟังธรรมเสร็จแต่ถ้าเราไม่ชอบเรามาด้วยความจาใจ กลัวเ้าว่าเราตกละโลกเปนชั่วโมงหนึ่งกว่าจะจบบางคนก็เกียดธรระเกียดการไหว้พระสวดมนต์ก็มีพวนี้เวลาใกล้จะตายถ้ายินเสียงพระหรือเสียงเทศอาจจะตกระลกก็ได้เพราะระลกสวรรค์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันดงนั้นคนเราจะต้องบอกว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบสวรรค์ทังคนนี้อาจจะเป็นระลกอกของอีกคนหนึ่งก็ได้เพราะคนเราชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบเหล้าชอบการมานานชอบ ชอบตามตามใจกิเลสแต่บางคนก็ชอบอะไรที่สงบเย็นนั้นคนเราจึงชอบไม่เหมือนกันคนเราก็คบกันด้วยธาตุไปสู่ที่ชอบที่ชอบคนชอบกินเหล้าก็จะมีธาตุดึงดูดพวกกินเหล้ามาร่วมวงด้วยคนชอบเล่นการพนันก็เหมือนกันก็จะดึงดูดคนประเภทเดียวกันเข้ามาคุยด้วยคนชอบดินทาก็จะดึงดูดคนที่ชอบดินทามาคุยแต่ละคนไม่ชอบดินทา พอ ค, คุยด้วยก็จะรู้สึกว่ารับไปได้ก็จะอาจจะไม่มาเ ส, เสวนาด้วยอันนี้แต่ละคนธาตุไม่เหมือนกันยังคนชอบปฏิบัติธรรมปีกวิเวกสันโดษก็จะไม่ชอบการคุกคีคนชอบคุยธรรมะก็จะคุยกับคนที่ชอบธรรมะด้วยกันอันนี้สังเกตได้ในสังคมเราจะเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะจิตใจแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้วเราก็ต้องวางใจให้เป็นเพราะเราอยู่โลกธรรม ถ้าวางใจให้เป็นเราก็ต้องทุกข์เจอลมกระทบเพราะบางครั้งสิ่งที่ไม่ดีเราสามารถพลิกให้เป็นสิ่งที่ดีก็ได้แต่บางคนเนี่ยมองมองโลกไว้เป็นก็ทําให้สิ่งที่ดีเป็นสิ่งร้ายก็ได้มัน แ, แล้วแต่มุมมองนั้นธรรมะจึงเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดมีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติต่างๆก็มีเศรษฐีอยู่หลายคนก็สละทรัพย์สมบัติออกบวชแม้แต่พระพุทธองค์ก็สละทุกสิ่งทุกอย่างออกบวชเหมือนกัน มันธรรมะจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งใดในโลกนี้อันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอให้พวกญาติโยมมีความสุขในธรรมยิ่งขึ้นไปขอจบลงแค่นี้